การปฏิบัติเป็นการพิสูจน์ความจริงการเรียนผรเหมือนกับเราเรียนแผนที่แต่เราไม่ทำตามแผนที่ทีนี้แผนที่ภายนอกกับแผนที่ภายในนี่ผิดกันคนละโลกแผนที่ภายนอกนั้นเช่น่งแปนบ้านแปนเือนอะไรเป็นต้นทาตามนั้น ดูตามนั้นเรื่อยไปแต่แปลนภายในนิพแผนที่ภายในจิตนี้เป็นอย่างนั้นไม่ได้ขนาดที่จะปฏิบัติทำเราเรียนมามากน้อยเราจะเอามาไข่ควรจะเอามาพิจารณายุ่งกันหมดเพราะยังไม่ใช่ฐานะของจิตที่จะเอามาพิพจารณาหรือไข่ควรเอามาเทียบมาเคียงกันจิตขั้นที่จะรวมตัวให้มีกําลัง เป็นขั้นที่ไม่ต้องเอาอะไรมายุ่งกวนทั้งนั้นมีแต่อารมณ์แห่งธรรมที่จะนําเข้ามาที่จะกํากับรักษาจิตเหมือนกับว่าชาติจิตให้มีพลังภายในตัวเองคือมีความสงบเมื่อจิตมีความสงบแล้วก็เป็นพลังภายในตัวถึงจะไม่มีความรู้มากน้อยแค่ไหนก็ตามข้องไม่เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะมีความอบอุ่นหรือมีความ ร่มเย็นมีความผาสุกภายในตนเพราะความสงบซึ่งเป็นการรวมกําลังนั้นนี่เรียกว่าไม่เข้าในแปลนเลยถ้าจะเข้าก็เข้าในแปลนที่ว่าให้พยายามทำปิดให้สงบด้วยอารมณ์แห่งธรรมแต่เราไม่ยอมที่จะปฏิบัติเพียงแค่นี้ เรายังมีความลุกตีบย่อยลึก ม, มากจนวุ่นไปหมดนั่นเข้ามากวนใจจึงหาความสงบไม่ได้นี่ยนี่ชื่อวมันขัดกันกับแปลนเราได้แปนอะไรมากีก่แปนท่านกล่าวทำมาไวมา้มากมาเพียงไรก็เอาก้านเข้ามายุ่งเราหมดเหมือนอย่างว่าเราจะปลูกกระสอบสักหลังหนึ่งเราก็จะเอาแปนตึกรามบ้านช่องตั้งร้อยร้อยชั้น มากลางดูงนั้นมันก็เข้ากันไม่ได้แปลนตึกกับแปลนกระตับมันผิด ก, กันเดีย๋ยวนี่เราจะรวมกิตของเราให้เข้าจุดเดียวเหมือน ก, กระต๊บน่ะพอมีกําลังแล้วขายายตัวไปก็เป็นตึกรามบ้านช่องได้เมื่อถึงขั้นที่จะพิจารณาแล้วกว้างแคบไม่มีกําหนดกฎเกณฑ์มันไปได้หมดทั่วแดนโลกธา น, นุนี่ถึงขั้นจิตจะพิจารณานั่นแหละขั้นนั้นแหละ มันจะได้หลักฐานพยานขึ้นมาภายในจิตเกิดความรู้ความเห็นต่างๆจากการพิจารณาของตขนขึ้นมาแล้วจะได้เลือกเฟ้นว่าอันไหนผิดอันไหนถูกแล้วหาธรรมะที่เราเรียนแล้วนั้นเข้ามาเทียบเคียงในเหตุในผลจนกระทั่งเป็นที่ลงกันแล้วก็ปล่อยได้ทั้งๆที่เราเข้าใจชัดเจนยังต้องหา หลักฐานก็ามาอีกทีนเพื่อความสนิทใจแน่ใจนี่ชื่อว่าปัญญาไม่ใช่ว่าถ้าไม่สงสัยจะเอาอันนั้นมาเทียบทำไมมาเทียบอันนั้นเป็นอีกอย่างเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัตินที่ว่าสัจธรรมก็ดีสติปัฏฐานสีก็ดีท่านพูดเยียวโยงกันไป แล้วเราจะปฏิบัติแบบนั้นเช่นพิจารณากายแล้วพิจารณาเวทนาและพิจารณาจิตพิจารณาธรรมนี้ผิดวันย่างคำเพราะธรรมชาตินี้มีความเกี่ยวโยงกันอยู่ตลอดเวลาเราจะพิจารณาในแง่ใดก็พิจารณาส่วนมากกับพิจารณากายในนีเ้เวลาเวทนาเกิดขึ้นมันก็ต้องปล่อยเรื่องกายไปจับเวทนาแล้วเข้ามาผสมผสมหรือค้าเข้ากันกับกายแยก ระหว่างเวทนากับกายให้เข้าใจากันชัดเจนแล้วแยกระหว่างเวทนาของกายกับเวทนาของจิตทเทียบเทียงกันอีกแยกส่วนแบ่งส่วนกันอยู่นี่จึงเรียกว่ากายเวทนาจิตธรรมมันอยู่ด้วยกันในขณะเดียวกันนั่นแหละแยกกายนั่นเรียกว่าพิจารณากายเอาแยกเวทนาให้ทราบว่าเวทนากับกายเป็นเดียวกันหรือไม่เนี <N> ่ยแยกจิตแยกอารมณ์ที่มันเป็นอยู่ภายในจิตนั้นให้มันเห็นชัดเจนว่าแต่และอย่างละอย่างไม่ใช่อันเดียวกันนี่ กล่าวเพียงเท่านี้มันครอบหมดแล้วลงสติปัฏฐานสี่ <c oughs> เราจะไปแยกแยะไปทําทีละบทละบาททาทีละเรื่อ ง, อง ล, ละราแล้วค่อยเดินเหมือนกับเราก้าวขาวไปไม่ได้ไม่ถูกนี่แหละภาพปฏิบัติเป็นอย่างนี้อย่างท่านพิจนนารณากายกายเิกายาวิชีิหาติอย่นี้เป็นต้นพิจารณากายในกายกายในกายก็หมายถึงอาการหนึ่งของกายทั้งหลายที่มีอยู่หลายชิ้นหลายอัน เป็นต้นเหตุก่อนพอพิจารณากายส่วนนี้พอเข้าใจแล้วมันก็มีความซูญทราบันไปเองเป็นเหตุให้สนใจที่จะทราบส่วนนั้นส่วนนี้แล้วก็ข้อกระจายกันประกระจายกันไปก็หมดภายในร่างกายรอบไปหมดเข้าใจไปหมดกายในกายเช่นท่านว่าเกสาเจสานอย่างนี้คนระับโลมานจะพิจารณาผมเส้นหนึ่งก็ตามแต่จะเกี่ยวไปกี่เส้นของผมแล้วเกี่ยวไปว่ากี่ส่วนกี่อันมัน กระเทือนกันไปหมดซึมทราบไปหมดเพราะเกี่ยวเนื่องกันพิจารณาอะไรก็ตามเป็นอย่างนั้นเวทนามันเกิดขึ้นภายในร่างกายเรามากเอาจับจุดได้จุดหนึ่งซึ่งเป็นจุดที่เด่นขึ้นมาพิจารณาจุดไหนที่ว่าเป็นทุกข์เด่นกว่าเพื่อนกําหนดจุดนั้นเป็นต้นเหตุก่อนแล้วก็ซึมทราบไปหมดในบรรดาของเวทนาทั้งหลายเพราะมันเกิดที่ไหนมันก็เข้าไป เกี่ยวข้องกับกิจดวงเดียวพอพิจารณาเวทนากับกิจมันก็วิ่งเข้าหากันอีกแยกกันกายญาติเวทนาจิตานุธรรมานุปัฏนานอะไร เ, เกี่ยวข้องกันอย่างนี้เวทนานอกก็หมายถึงกายเวทนาอย่เกิดความสุขความทุกข์เฉยๆอยู่ภายในตัวเองเวทนาในหมายถึงทุกขเวทนาภายในใจสุขเวทนาภายในใจ และอทุกขมาสุขเวทนาภายในใจไม่สุขไม่ทุกข์มันก็เป็นเวทนาอันหนึ่งอยู่ภายใ น, ในใจิตใจและเวทนาทั้งสานี้เมื่อพิ จ, พจารณาด้านแหงความสงบมันก็มีเวทนาอันนี้อยู่ด้วยเหมือนกันปกติมันก็มีส่วนมากมันมีทุกขเวทนาภายในใจถ้าเราไม่ได้พิจารณาเช่นไม่เคยปฏิบัติธรรมเลย เมตนาทั้งสามอยนั้นก็มีแต่นี้เป็นเมตนาโลกโลกไม่ได้เป็นเวทนาที่เกี่ยวกับธรรมเวลาเราปฏิบัติธรรมะเข้าไปจิตใจเรามีความสงบเย็นใจนี่เป็นสุขเวทนาจิตไม่รวมได้ตามต้องการเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาบางทีมือลอยอยู่บ้างอะไรบ้างเฮ้ยเฉยเฉยจะว่าสุขวัตทุก็ไม่ใช่คําว่ามือลอยอะไรอย่างนี้อ ย, นอยู่ภายในจิตของผู้ปฏิบัตินะไม่ได้หมายถึงว่ามือลอยแบบคนรม่นเร็วรุ่นลราอะไรเลย มันเป็นภารกิจเองอันนี้ก็เป็นอุทุกรรมสุขเวทนาอีกเหมือนกันะตอนนี้เรายังไม่ทราบตอนที่มันเป็นอยู่เด่นๆ น, นี้ก็ยังไม่ทราบเพราะยังไม่มีปัญญาต่อเมื่อจิจมีความละเอียดเข้าไปอะไรอาการใดปรากฏขึ้นมามันก็ทราบพอทราบเป็นลําดับๆตามกําลังของปัญญาของสติของตอนเองสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเจ้านายเนื้อหัวของจิต เอาพูดมันเต็มเม็ดเต็มหน่วงเสียจิตนี้เป็นภาชนะสําหรับรับรองหรือเป็นม้านั่ ง, งเขานั่นเองเพราะมานั่งตรงนั่นแหละหรือเป็นส่วมก็ได้เถ่ายรถลงนั้นมมดแหละมีอะไรก็ดีเดี๋ยวทุกโดดขึ้นมาถ่ายเดี๋ยวสุขโดดขึ้นมาถ่ายเดี๋ยวตุกขมะสุขะเมตนาโดดขึ้นมาถ่ายถ่ายอย่างนั้นอันนี้ก็ยอมให้เขาถ่ายอยู่นั่นแหะเพราะมีสติปัญญาที่จะ สลัดปัดทิ้งในสิ่งนั้นไม่ให้มามาถามเพราะนั้นจึงต้องอบรมสติปัญญาขึ้นให้มากสติเป็นสิ่งสําคัญตามติดไม่ว่าปัญญาจะสอดแทรกปรทังไหนที่นายสติตามแนบไปเลยปัญญาก็ไกรกรองไปสติตามไปมันก็ไม่เป็นสัญญาถ้าสติมีอยู่ไม่เป็นสัญญาพรอเพลสติเป็นสัญญาไปตามกําลังของจิตที่พึ่งพึ่งหัด ค้นคว้าใหม่ๆแต่เมื่อมีความชำนิชำนานทั้งด้านสติทั้งด้านปัญญาและไปด้วยกันเลยจึงพูดได้ว่าเวลาไหนนะ่ะเวลาที่จิตเผลอน่ะคือมันไม่มีเวลาเผลอท่านจึงเรียกมหาสติมหาปัญญาเผลอที่ตรงไหนมันอยู่ที่นี่น่ะคือความรู้ได้จากสติกับปัญญามันมีอยู่ด้วยกันภายในจิต ด, ดวงเดียวนี้แล้วเป็นอันเดียวกันแล้วแล้วจะเผลอไปที่ไหนนั่นเมื่อมันต่อเนื่อง ก, กันแล้วพูดได้อย่างนั้น ทั้งที่มันล่วมมือครครานมาแต่ก่อนทักเท่าไรเราไม่ทราบเนะมันนับอ่านไม่ได้แต่พอถึงขั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วพอจิตก็เพื่มภาพก็ทันกันทันทีกันทีคิดเรื่องอะไรทันกันโดยลำหนักลำหนักยิ่งเป็นเรื่องของกิเลสนั้นมันยิ่งรวดเร็วแต่คิดธรรมดามันก็ยังรู้ภาพปฏิบัติให้ปฏิบัติด้วยตนเองรู้ด้วยตนเอง นั่นแหละมันชัดเจนดีถูกหรือผิดขอให้เป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตัวเองให้ทราบภายในตัวเองนั้นจิงว่าเป็นที่แน่ใจเมื่อเราได้ปฏิบตัติเมื่อเราได้รู้แล้วอาถรร์ที่จะพูดออกมาอาถรรพ์อยู่ภายในยจิตไม่จะโตสเถทานว่าจะพูดผิดหรืออะไรไปก็ตามไม่จะโก้ะถีานเพราะเป็นความแน่แน่ภา ย, นายจในจิตใจการที่จะเบิก สิ่งที่ปกคลุมหุ่นหอยกิจนี่ยิงต้องยากถ้าคนที่มีความอาดแร์ยิ่งยากใจไม่มีทางที่จะไปได้นี่หาเรื่องแต่ตัวเองแต่สําคัญที่ความมุ่งมั่นเนี่ยเป็นทางบุกเบิกได้อย่างดีความมุ่งมั่นจะรู้จะเห็นในสิ่งที่พระพุทธเจา้าทรงสอนไว้ว่าวิเศษวิโสอะไรทำนองนี้มีความมุ่งมั่นต่ออาตต่อธรรมประเภทนั้นๆแล้วถึงจะยากลําบากเพียงไร มันก็ไม่เห็นมีความสนใจอะไรเลยมันไม่ได้ว่ายากมีแต่อยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะเข้าใจชวนให้คิดชวนให้ปรุงให้แต่ให้พิจิตรพิจารณาไปตามอาการแห่งธรรมที่ตนต้องการอยากรู้อยากเห็นนั่นโดยลําดับลําดับมันก็เพลินไปทั้งวันทั้งคืนเพลินอยู่กับการอยากรู้อยากเห็นเพลินอยู่กับผลที่ได้รับเป็นลําดับลําดับเพลิดเพลินในการค้นคว้าตัดฟันที่เดล็กตาสมะซึ่งก็ไม่มีอยู่ที่ไหนก็มีอยู่ภายในกายกับจิตนี้เป็นสําคัญนอกจาก ว่าจิตมันไปพัวเอาลายลายมาจากภายนอกแล้วก็มาร่มรุมพายใจิตใจนี้อีกจิตก็จะต้องมาค้นคว้ามาพิจิริจิรณาแก้ไขกันอยู่ภายในนี้แต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หุ้มห่อจิตใจใจเองเป็นผู้ขนองระเทียบกว้านเอามามาก็มาเผาตัวเองเพราะไม่มีปัญญาสามารถที่จะแก้ไขจึงต้องได้สั่งสมสติสั่งสมปัญญาขึ้นให้มา อ่นจึงสอนเสมอเรื่องสติเรื่องปัญญานิสมากัร น, นังเสโยนี้ก็คือปัญญาใครควรจะก่อนจะทําอะไรก็ดีแต่ส่วนที่จิตของเราจะคิดเรื่องอะไรมันไม่ได้ใครควรแม้จะไม่ได้ใครควรในขณะที่มันคิดขึ้นมาก็ตามใคร่ควรในขณะที่มันไปสัมผัสกับเรื่องอะไรเกิดเป็นผลขึ้นมาให้เกิดความดดร้อนแล้วนั่นก็นยังดีใครควรให้ดีพิจารณาให้ชัดจนกระทั่งถึงหายสงสัยกับสิ่งนั้นๆได้นี่น เราอยา่าคาดอย่าหมายการปฏิบัติธรรมทวารค์อยู่ที่ไหนจะไปคาดธรรมโลกอยู่ที่ไหนจะไปคาดเป็นการเสียเวลาไม่เกิดประโยชน์นิพพานอยู่ที่ไหนจะไปคาดทุกข์อยู่ที่ไหนสมุทยัยที่ไหนนิโรธอยู่ที่ไหนมากที่ไหนอยา่าไปคาดให้นอกเหนือไปจากกาพิธิซึ่งสัมพันธ์สัมผัสสัมพันธ์นกันอยู่ตลอดเวลานี้เอาเองค์นี้เพื่อให้เห็นความจริงภายนอกก็จะรู้ภายในก็จะรู้เมื่อภายในรู้แล้วยิ่งจะเห็นไปทุกสิ่งทุกอย่าง ในบรรดาที่สิ่ที่มีอยู่ทั้งหลายตามความนิสัยหรือความสามารถของเราโดยที่เราไม่คาดในหมายมันจะรู้ไปเองเมื่อมันรู้ภายในแล้วสำคัญที่ภายในไม่ยังไม่รู้ตัวเองอยากจะรู้แต่สิ่งภายนอกนี่ก็ควรยุ่งทำความยุ่งเหยงให้ตัวเองโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรอ้าวถ้าเราจะสงเคราะห์เข้ามากันนรกคืออะไรเอานี่ก่อนอถ้าอยากจะรู้นรกก็รู้สิ ความทุกข์ที่เกิดมันก่อปวยขึ้นมาขึ้นมาให้เป็นผลเป็นทุกข์โดยลําดับลําดับอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ที่กายกับใจนี้อยู่ที่ไหนเเราปล่อยให้นรกไฟนรกเผาอยู่ทั้งวันนะคืนยังไม่ทราบนรกเราจะตระหานรกสิได้อีกนี่ให้เรายน่นเข้ามานี้เพื่อรู้ความจริงคือสัจธรรมซึ่งมีอยู่ภายในนี้เมื่อรู้สัจธรรมแล้วนรกไหนก็มันจะเข้าใจพของมันเองแหละมันต้องมีใครมาบอกสวรรค์ก็คือความรื่นเริงบันเทิงในอัตในธรรม ที่มีอยู่ภาย ใ, ใจิตใจควาสงบร่มเย็นนี้พรหมโลกก็เป็นอยู่ไปตามขั้นของจิตนี้จะไปพรหมโลกขั้นไหนชั้นใดก็ตามคือขั้นของจิตนี้บอกอยู่ภายในตูเสร็จแล้วผู้นี้สมเหมาะสมกับภูมินั้นภูมินั้นภูมินั้ น, น, นแล้วก็เป็นไปตามนั้นเลยเพราะฉะนั้นจรงต้องปรับปรุงผู้นี้ให้ดีให้ถูกต้องไม่ให้คิดนอกเหนือไปจากนี้วันหนึ่งขึ้นหนึ่งให้ค้นคว้า ภายในจิตใจของตนเองกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องหลักสำคัญก็มีกายนี้แหละสําคัญมากขันห้านี่มันสัมผัสสัท้านตลอดเวลาเพราะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันไหนสิ่งภายนอกก็ยังพอทำเนาเป็นรูปเสียงกลิ่นรดเรื่องสัมผัสต่างๆมันอยู่ภายนอกส่วนเวทรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้อยู่กับตัวเองเกิดเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาแต่ไม่มีใครที่จะสามารถแก้ คดีนี้ได้ตัดสินคดีนี้ได้เพราะ ม, มีปัญญาจะไม่ไดฉัยพอจะลงเอ่ยได้ว่าตัดสินกันได้อย่างไรแล้วก็ปล่อยให้เรื่องรา่มันเกิดอยู่ตลาดเวลาลูกปุงลูกมีความไม่สะดวกสบายตรงไหนก็ไปปรุงไปยุ่งกันนั้นเจ็บนั่นปวดนี้กลัวล้มกลัวตายกลักวแทะกลัวตายแล้วไม่ทราบว่า อ, อะไรเป็นความตายมาพิจารณาให้ถึงฐานในความตายมันก็กลัวอยู่วันยังค่าถ้าพิจารณาให้ถึงฐานของความตายแล้วมันจะกลัวอะไร มีอะไรตายในโลกนี้ความแปลก็ทราบอยู่แล้วพระธรรมท่านก็อสอนไว้แล้วว่าอันนี้จังมันแปลสภาพตลอดเวลาทุกครั้งมันทุกที่ไหนทาไมทุกที่นี่เนี่ยหน้าตาก็ประกาศอยู่แล้วเป็นสาระแก่งสารที่ไหนก็บอกหุดทุกบททุกบาทของธรรมแต่เรามันปีนเกลียวของธรรมอยาก น, นั้นเป็นตนอยากอันนี้เป็นตนความที่อยากนี่มันก็เป็นเรื่องของกิเลสอันนั้นไม่เป็นตน้นก็เป็นกิเลสต่ว่าไง ถ้ายิ่งมันเป็นตนขึ้นมาอย่างที่ว่ามันจะยิ่งยังไม่กองเท่าภูเขาเลยเดี๋ยวกี้แต่และอย่างละอย่างรวมมันเข้าแลกกี่ภูเขาก็ไม่โู้ถึงต้องพิจารณาให้ชาัดเวทนาเนี่ยกับพวกนี้พวกที่เป็นข้าพิจิตต่อเราก็ ม, มีอะไรก็มีทุกขเวทนาเป็นขึ้นพานนาจิตบ้างโดยลําพังไม่ต้องกายปกติยุตาตามมันก็เป็นขึ้นมาขึ้นได้เพราะอารมณ์พาให้เป็นคิดใทางที่จะ เสียดแทงจิตใจก็เป็นทุกขเวทนาขึ้นมาคิดไปทางถอดทางถอนก็เป็นจุดขขเวทนาขึ้นมาอืมเวลามันจะพักมันก็วางเฉยตัวมันเองเป็นอุปเปกขาเวทนานั่ยอันเห็นแท้ๆอย่างนี้การพิจรารณาเราจะคาดหมายดูอยู่ภายในตัวของเราชั้นยญญานี้สําคัญอยู่มาก โดยปกติสัญญาเป็นผู้สําคัญอยู่มากถ้าทุกเกิดขึ้นทุกก็สําคัญแต่ทุกไม่เกิดอยู่ทุกเวลาสัตว์สัญญาเนี่มันหมายอยู่เรื่อยๆ อ, อันนี้ผู้สำคัญมากละเอียดมากฐานนี้บรรจงด้วยมันน่าหลงจึงได้หลงสังขารนป็นผูกยื่นให้สัญญาก็เอาไปคลี่คลายไปไปใหญ่และนี่ประการที่สองกับวิญญาณเป็นผู้รับทราบเข้ามา ผู้นี้ก็มาคี่คายเจ้าสัญญาและทำงานใหญ่โตเที่ยวหุ่นไปหมดภายในร่างกายหล่านี่แหละเป็นเครื่องปิดใจใจเมื่อมีสิ่งทับถมมีสิ่งปิดบงังมีสิ่งบังคับอยู่จะออกเป็นความรู้ความเห็น อุบายแยกทายมันก็ออกไม่ได้เพราะถูกสิ่งอันนี้บีบบังคับจึงต้องได้บังคับกิตทีหนึ่งให้พิจารณาถอนตัวออกมาพิจารณาแล้วความสําคัญมันหมายต่างๆนี้ก็จะค่อยติดเบิกหรือถอนออกไปถอนออกไปโดยลาดับสติปัญญาจะใน ม, มีทางคิดถึงขั้นสติปัญญาจะทนไม่ได้ถึงขั้นสติปัญญาจะออกพินิพิจารณาแล้วปิดไม่อยู่มันจะค้นคว้าไปหมดทุกแง่ทุกมุม เข้าใจไปเรื ated, e kingdom, sheep, religion, urity, Never, well in ่อยๆเๆมีความเพื่อเพลินต่อการค้นการคิดมีความเพื่อเพลินต่อผลที่ปรากฏขึ้นมาเพราะการค้นโดยปัญญานี้เป็นการตัดกิเลสโดยตรงสมาธิเป็นแต่เพียงว่ารวบรวมกิเลสเข้ามาสู่จุดเดียวพอจะแก้ไขง่ายๆหรือว่าตัดทำลายได้ง่ายพูนง่ายๆหรืเป็นพลังของปัญญาเมื่อจิตมีความอิ่มตัวในขั้นสมาธิแล้วจิตก็พอใจที่จะทํางานในแง่ต่างๆเมื่อทํางานแล้วผลของงานก็ปรากฏขึ้นมา วิเศขาเป็นมักเป็นตอนก็เกิดความเพลิดเพลินในผล ง, งานของตนพิจารณาเรื่อยๆไปเอากลุมนี้จะไปที่อื่นสัจธรรมอยู่ที่ตรงนี้ค้นลงไปทําไมจะไม่รู้พระพุทธเจ้าท่านรู้ที่ไหนถ้าไม่รู้ในท่านรู้ในสัจธรรมทั้งสีน่นี้ท่านรู้ในสติปัฏฐานสี่ซึ่งมีอยู่ในกาย ใ, ใจของเราทุกคนพระพุทธเจ้าก็มีเช่นเดียวกับเราท่านรู้ที่ตรงนี้ท่านสอนตรงที่ตรงนี้ยังให้พิจารณาให้ชาติลงไป การกําหนดพิจารณาที่ว่าเวทนามันเกิดขึ้นมาในจิตส่วนในกายได้พูดมากแล้วทุกเวทนาที่เกิดขึ้นภายในจิตเช่นเป็นความไม่สบายภายในจิตก็ให้กําหนดดูทุกเวทนานั้นเอาทุกเวทนานั้นเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาและอแห่งการจดจ้องมีสติอยู่กับทุกเวทนาอ น, นั้นเราจะตั้งความปรารถนาอยากให้หายสมมติวทุกเวทนาเกิดขึ้นภายในใจแต่เราต้องพิจารณา เราต้องทราบว่าทุกเวทนาที่ปรากฏขึ้นภายในจิตนี้ต้องมีสาเหตุหากไมีสาเหตุจะปรากฏขึ้นมาอย่างลอยๆนี้เป็นไปไม่ได้หากเราไม่ทราบสาเหตุก็ตามว่าทุกเวทนาที่เกิดขึ้นนี้เพราะอะไรเล่าก็จับเอาตัวผลคือทุกเวทนานี้เป็นอารมณ์ของใจคือให้รู้อยู่กับทุกวเวทนาอ้าวมันจะตั้งอยู่นานเท่าไหร่เราจะดูทุกเวทนาตัวนี้จะเที่ยงแน่นหนามันคงจริงๆเหรอจิตของเราก็ เป็นจิตที่น่นอนมันคงยิ่งกวเวทนานี้ทําไมจะพิจารณาเวทนานี้ไม่ได้เวทนานี้มันเกิดขึ้นช่วงระยะมันดับไปตามการตามเวลาของมันในเมื่อหมดปัจจัยเครื่องสนับสนุนมันแต่จิตท้องเหล่านี้เป็นธรรมชาติที่รู้ทั้งทั้งจิ่ทุ ก, กเวทนาเกิดขึ้นมันก็รู้เกิดมากเกิด น, น, น้อยมันก็รู้ทําไมจะพิจารณาเวทนานี้ไม่ได้จะทนกับเวทนานี้ไม่ได้ต้องทนได้เพราะจิตนี้เป็นนักสู้นักทนอยู่แล้วนั่นเอานี่เข้ามา เอาทุกจะปรากฏภัยกิจมากน้อยให้กําหนดดูอยู่ที่จุดนั้นไม่ต้องตั้งความปรารถนาให้มันหายแต่ให้ทราบความจริงของเวทนาที่มันปรากฏขึ้นมาและเปลี่ยนสภาพไปให้รู้ตรงนี้เอาเมื่อทุกเวทนาสลายตัวลงไปจากจิตเพราะการตรวจจ้องการพิจารณาของเหล่านี้แล้วอะไรเวทนาใดจะเกิดขึ้นมาแทนที่ก็ให้รู้อีกนะให้รู้เป็นชั้นๆ น, นี่จึงคือ่านักพิจารณาเราจะไปถืออเวทนา จะเป็นสุก็ตามทุ ก, ก็ตามเฉยเฉยก็ตามให้ทราบว่าเป็นเวทนาด้วยกันเป็นสภาพหนึ่งต่างหากจากจิตจึงเป็นของที่เปลี่ยนแปลงไปได้อันนั้นเข้ามาแทนที่อันนี้สลายตัวไปอันนั้นเข้ามาแทนเป็นอยู่อย่างนี้ตามธรรมดาของของเวทนาเพราะมันมีเชื่อไปจากจิตมันจึงแสดงเวทนาทั้ง3นี้ขึ้นมาได้ถ้าว่าจิตหมดเชื่อโดยประการทั้งปวงแล้วเวทนาใดๆก็ตามจะไม่ปรากฏขึ้นมาได้เลยนอกจากปรมางสุขขังเท่านั้นซึ่งเป็นธรรมชาติที่อยู่กับ มีอยู่กับใจที่บริสุทธิ์มันนั้นนั้นอันนั้นไม่ใช่เวทนาสำหว่านิพพานังปรณังสุขขังนั่นไม่ใช่ทุกเวทนาจึงไม่มีการดับมีการการกำหนดพิจาารณเวทนาให้กำหนดอย่างนี้เอาเวทนานั้นเนีลยเป็นสนามรลกกำหนดดูเอาดูในวาระนี้ยังไม่หายดูอีกดูจนกระทั่งมันทราบความจริงจะหาหรือไม่หายไม่สําคัญสําคัญที่เราทราบความจริงของเวทนา ตัวนี้ตัวที่ปรากฏอยู่เวลานี้นานอืมส่วนมากกหมายถึงทุกเวทนาที่มันเป็นเครื่องสะดุดเรามากสะเทือนจิตใจเรามากสุขเวทนาเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่โดยลําดับกำนังเพราะสุขเวทนาเป็นเป็นสเสบียงอันหนึ่งในการเดินทางเมื่อทําจัดทุกเวทนาได้แล้วสุขเวทนาก็ต้องมาแทนที่เรียกว่ามาเป็นช่วยเราหรือเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากการพิจารณาทุกเวทนาจนดับไป แล้วเป็นความสูง ข, ขึ้นมามีเป็นผนอันหนึ่งที่สืบเนื่องมาจากการพิจารณาทุกขเวทนานั้นก็ถูกส่วนที่เราจะกําจัดสุขเวทนาหรือไม่กำจัดนั้นอันนี้เท่าที่พิจารณามาก็ไม่เห็นได้คําจัดนเมื่อถึงสาคัญที่ทุกขเวทนาเนี่ยสำคัญมากภานาจิจมันเกิดจากเชื้อที่เหลือเมื่อแก้เชื้อนี้แล้วไปเบาบางประดมดับดับสุขเวทนาก็ละเอียดลงไปละเอียดลงไป เรื่ทุกขเวทนาก็ค่อย ด, ดับไปดับไปดับไปเมื่อเชื้อมันหมดสุขเวทนาแบบนี้ก็หมดเนี่ยมันหมดไปเองมันอยู่กับเชื้อนั้นต่างหากนี่เพราะฉะนั้นจึงว่าสุขเวทนาสุขเวทนาที่เกิดขึ้นภารกิจจากการปฏิบัติหรือการจากฐานของจิจจากความสงบของกิจจากความเบาสบายของจิตนี่ มันเป็นทำหรือวิหารธรรมคือทำเป็นเครื่องอยู่เครื่องอาศัยของใจในเวลาเดินทางหรือเป็นผลเกิดขึ้นมาจากการพิจารณาทุกเวทนานั้นก็ได้เราจะพิจารณาสุกนี้หรือไม่พิจารณาก็ก็ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหรย่ยิ่งกว่าการพิจารณาทุกเวทนากับสาเหตุที่มันเกิดทุกเวทนานั้นอันนั้นเป็นสิ่งสําคัญมากนังที่ในสัจธรรมพระพุทธเจ้าทา่ทานท่านก็ว่าทุกข์ให้กําหนดรู้น่นแกสุขทำไมไม่กําหนดรู้ ต้นเหตุของสุขคืออะไรท่านก็นไม่ว่าเพราะอันนี้มันเกิดขึ้นจากอันอันนั้นถลายตัวลงไปสุขมันก็มาแทนมาแทนมาแทนที่พอเชื่อของทุกเราที่เป็นส่วนจิเลตนะมันดับไปสุขอันนี้มันก็ดับไปด้วยกันแต่สุขอันอันหนึ่งที่เป็นธรรมชาติของจิตมันก็เกิดขึ้นมาแทนที่นะีเป็นอย่างนั้นถึงเวลาจะให้สงบให้สงบจิตเราจะไป เสีด้ดกับการทางานที่เราเคยพิจารณามาต้องมีการพักการผ่อนจิตใจไม่พักไม่ได้ถึงถึงเวลาพักต้องพักจะได้การได้งานเพียงไรจากการปฏิบัติ ก, ก, การพิจารณาก็ตามมันก็มีอ่อนเพลียได้เหมือนกันการทำงานคือความคิดความปรุงทางด้านปัญญาด้านไหนก็ตามจากก็เป็นงานของจิตทั้งนั้นเมื่อคิดเมื่อปรุงเมื่อพิจารณาไปนานๆมันก็ทาให้อ่อนเพลียได้เราต้องพัก เมื่อถึงการที่พักแล้วไม่ต้องยุ่งกับงานใดๆทั้งหมดตั้งหน้าตั้งตาทําหน้าที่เพื่อความสงบของจิตโดยถ่ายเดียวนี่คือว่าทํางานได้ก้าวกาก่ายกันและไม่ห่วงหน้าหองหลังไม่เป็นน้ำไหลาบาสมันก็มีกําลังแรงเมื่อเราตั้งใจจะให้มีความสงบเพื่อเป็นพลังของปัญญาก็มุ่งหน้ามุ่งตาต่อทำที่จะทำจิตให้สงบให้แน่ลงไปสงบเสียตอนนั้น พอสงบมีกําลังแล้วถอนออกมาจากความสงบนั้นแล้วอ้าวค้นลงไปไม่ต้องเป็นห่วงกับเรื่องความสงบมีห น, น้าที่อะไรพิจารณาไปโดยลําดับจนเข้าใจโดยลําดับลำดับนี่ชื่อว่าเป็นการเดินเนินที่ถูกต้องเหมาะสมสม่มําเสมอเป็นทางเดินอย่างนี้มีเคยได้เป็นมาแล้วเวลาติดก็ติดเชื่อจนพอติดกับความสงบสะดวกสบายเวลาเพลินในการพิจารณาก็เพลินจนลืมเนื้อลืนตัวไม่พักผ่อนตอนติด บ้างเลยมันไม่ถูกทั้งสองนั่นแหละคือไม่ถูกความพอดีคือความพอดีต้องถึงเวลาพักต้องพักถึงเวลาพิจารณาต้องพิจารณาไม่ห่วงอะไรทั้งนั้นตั้งหน้าทำหน้าที่ตามงานนั้นๆโดยลาดับลาดับนั้นอันนี้เหมาะสมงานใดในโลกนี้ไม่ได้มีใหญ่โตยิ่งกว่างานถอดถอนกิเลส หรืองานถอดถอนตนออกจากวัตตะคือความหมุนเวียนให้เกิดให้ตายกี่พบ ก, กี่ชาตินับไม่ได้เลยคิดแล้วน่าสลดสังเวชในความหมุนเวียนเกิดตายซึ่งแบกตั้งแต่กองทุกไปทั้งนั้นไม่ว่าพบใดชาติใดก็ตามเป็นแต่เพียงว่ามีมากมีน้อยต่างกาันเรื่องของทุกต้องมีด้วยการเพราะมีกิเลสขึ้นเป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์ทำไมจะไม่ทุกข์ชาต์โลกต้องมีพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้สลัดให้หมดจะไม่ต้องมีอะไรเข้ามาแทรกมาแฝงเลย ให้มีแต่เนื้อรุ่นล้วนจะให้มีก้างจะให้มีกระดูกมันเป็นภัยต่อทากขอขันพิเศดประเภทใดก็ทำรอบเป่าไให้หมดไม่มีเหลือเลยจึงเรียกว่าเป็นงานใหญ่โตมากทุ่มกำลังลงสุขฝีมือความสามารถมอบชีวิตทีวาลงไปพวกนี้ในบางการเอาตายก็ตายไม่ตายให้รู้มีเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนะ อาจิตมันเป็นกําลังของจิตเองหมุนติ้วที่ลงไปเพราะแดนใงความพ้นทุกนะั่นเหมือนกับว่าเอื้อมมือถึงอยู่ตลอดเวลาข้างหลังก็ตีดตันเข้ามาติดตันเข้ามาเห็นโทษเห็นภายเข้ามาล้อดอกก็มีแต่ทางที่จะให้พ้นโดยถ่ายเยือกอยู่ไหนไม่อยากอยู่ข้างที่ไหนไม่ต้องการจะค้างเสียเวล า, เ, วลาเพื่อความพ้นทุกต้องให้ถึงความพ้นทุกโดยถ่ายเยือกเท่านั้นจะเป็นที่พอใจเมื่อจิตเป็นอย่างนั้นแล้วจะเอาความขี้เกียจที่คร้างออดแดนมาจากไหน หนักก็สู้เบาก็สู้ตายเป็นสู้ทั้งนั้นจนกระทั่งหมดลมหายใจแล้วอยู่มันสุพิสยัยนี่หรือรู้แล้วดูเองไล่ไปไหนก็ไปปัญญาที่หมุนตัวเป็นเกลียวยิ่งกว่ากองกงจากนั่งเวลาถึงการแล้วก็หยุดเป็นหมดความหมายในตัวเองไปเองโดยไม่ต้องแบกขับไล่สายส่เขารู้แล้วจะพิจารณาอะไรอีกเนี่ยละแล้วจะละอะไรอีกรู้แล้วจะรู้อะไรอีกเนี่ยพอแล้วจะ ก็ามผที่ไ้นอีกมก็รู้ตัวเองทั้งนั้นทีเดียวถึงจะวงานใหญ่ใหญ่ก็เธอผลก็ใหญ่โตไม่มีอะไรเทียบเช่นเดียวกันผลที่เกิดขึ้นจากงานใหญ่ๆงานหนักๆเนี่ยผลก็ประเสริฐเลิ่โลกพระมังสุ ข, ขังจะไม่เรียกว่าเลิ่โลกได้อย่างไรพระพุทธเจ้าเลิ่อโลกได้เพราะอันนี้เองชาวกอรหรันหันเราที่นับถือท่านพุทธทางธรรมสร้างสร้สงกระฉามนี้ล้วนแล้วตั้งแต่ท่านเลิ่อทางงา น, น ด้วยงานอันหนักนี้แล้วครูของเราพาเดินอย่างนั้นเราจะปัญหา ย, ยิบยอ ก, ก, กอะไราหาเอาตั้งแต่ตามความชอบใจมันไม่ได้ครูเราพาเป็นอย่างนั้นทางเดินเป็นอย่างนั้นทางเดินเพื่อแกกิเลสต้องลำบากทางเดินเพื่อสังสมกิเลสนั้นง่ายเพราะความชอบใจมันง่ายเพราะความชอบใจความจริงมันยากด้วยกันนั่นแหละมันขึ้นชื่อว่า ง, งานแล้ว แต่สำคัญที่ความชอบใจในงานใดงานนั้นก็เห็นว่าเป็นของง่ายของเบาค ง, งสบายแต่สีงานแก้กิเลสแต่ก่อนเวลาเราบำเพ็ญที่แรกมันไม่ไในหน้าในหลังอะไรก็ทั้งๆที่เรามุ่งเจตนาจะากแก้กิเลสแต่มันก็หนักมันขี้เกียจอ่อนแอทุกสิ่งทุกอย่างรวมกันหมดที่ว่าความไม่เป็นท่าเนี่ยพอเวลามันรู้เหตุรู้ผลเขาเข้าใจนในอดในธรรมได้ผลปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับดับแล้วความขี้เกียจมันหายไปได้หมดล่ะนั่นก็มีแต่ความขยันหมั่นเพียรหนักก็เอาเบาก็สู้เป็นก็สู้ตายก็สู้น่ะ เพราะมันเห็นผลทั้งทั้งที่แก้กิเลสมาด้วยกันโดยลําดับนี่นะแต่อันหนึ่งยังไม่เห็นผลอันหนึ่งเห็นผลแล้วมีความขยันหมั่นเพียรขึ้นมาเองเอาหนักก็สู้เราเป็นลูกศิษย์ถาโคตรเราจะไปถอยหลังไหนเพราะสถาโคตก็เคยผ่านป่าช่ามาเช่นเดียวกับพวกเราจึงเห็นภายในเรื่องป่าช้าความเกิดตายขึ้นเป็นเรื่องแบกทุกทั้งนั้นเพระพพุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้วเราเป็นลูกศิษย์ถาโคตก็ต้องเดินตามครูผู้พากลับากก็ลําบาก ครูเราสลบสลายถึงสองครั้งสามครั้งพวกเรามีใครบ้างสลบสลายด้วยความเพียรไม่มีเนี่ยแล้วทําไมกลัวตายแล้วยังมาสลบเลยแล้วกลัวตายได้วยังไงพระเวทช่างถึงขนาดถึงสามมลสี่หน่วงเลยสลบพวกไม่เห็นกลัวตายวะพวกเราทําไมกลัวตายนะอะไรมันตายพี่นาคนทําไม่เห็นความจริงแล้วมันจะไม่กลัวตายเพราะมันมีอะไรตายในโลกอันนี้เมตจิตทั้งหลายมันสาคัญมันหมามันหลอกตัวเองว่ากลัวตายกลัวตายเมื่อรู้ถึงความจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่กลัวความตายก็ไม่กลัว เกิดก็ไม่กลัวเพราะมันไม่มีอะไรจะเกิดแง่จะกลัวมันอะไรกลัวไม่มีลงกลัวลงกลัวแล้วกลไปทำไมจิตมันพ้นไปแล้วจากความเกิดเขาจะไปกลัวความเกิดอะไรอีกเนี่ยเกิดเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายมันหมดเชื่วแล้วมันไม่มีอะไรจากตัวมันไม่มีอะไรจากข้ามันเสมอตัวคือสม่ําเสมอโดยลำดับนั้นแต่ไม่ใช่สม่ำเสมอธรรมดาในแต่โลกเสมอแบบจิตที่เพียงพอเสมอแบบความรู้สึกของจิต พูดถึงเรื่องพาละหนักอย่างนี้เแต่เราก็พูดถึงผลอีกด้วยเพื่อเป็นเครื่องรื่นเริงเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตผลคือเลิศสม ก, กันกับความยุ่งยากลำบากลำบนในการปฏิบัติแล้วเราต้องการเนื้อของขี้ทีเ่เละเราต้องการของดีทั้งนั้นแม้จะภายนอกเราก็ยังต้องการของดียิ่งทำเรา็มัยจะไม่ต้องการของดีเราเล่นเข้าไป ป่าชา้าร้องไห้กับเราเป็นไรหรือเรามันร้องไห้กับป่าชา้าปลาช้าร้องร้องไห้ตามเราเป็นไรหมดหวังแล้วที่นี่เอาอย่างนั้นความเกิดตายไม่ใช่ของดีมุนไปมุนมามีความทุกข์ความลำบากไปทุกภพทุกชาติพิจาาแก้ไขออกคันมั้นได้สิ่งที่เป็นอยู่ภายในใจิตใจมีอะไรบ้างที่เป็นเชี่ยนหนามต่อจิตใจ สติปัญญาอย่างลงไปค้นคล้าลงไปถอดถอนออกมาเอาให้หมดให้สิ้นเมื่อสิ้นแล้วก่อนี่แหละคือผลของงานว่าเป็นความยุยากขนไหนผลนี้เป็นอย่างไรคุ้มค่ า, ากันไหมนะรู้ทันทีอยู่ไหนก็อยู่ทิ้งท่นานบ๊รูุ้สิตังประมาจายังกระตังกงินีอย่างนั่นแหละเปชะ สิ้นโดยประการทั้งปวงแล้วขึ้นชื่อว่าความทุกข์ความลำบากอันเป็นเรื่องของกิเลสพราะกิเลสสิ้นผลก็สิ้นมีเท่านั้นอันนี้รู้สึกหเหน่อยหอวละแค่นี้นะ